เรื่องราวของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ตัดสรุ้เราเรียกว่าชาดกนะชาดกนี้เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวนาซึ่งสูญเสียพ่อเสียใจมากนะ ก็ร้องโหน่ร้องไห้ตั้งแต่วันที่พ่อเสียจนกระทั่งเผาศพเรียบร้อยแล้วก็ก็ยังคล่ำครวญไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำงานผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายคร่ำครวญเลยลูกชายนะลูกชายนี่เป็นคนฉลาดก็อยากจะ ให้พ่อเนี่ยได้เลิกคลั่งครวนสักทีก็คิดหาหนทางนะแล้วก็วันหนึ่งนะบังเอิญมีวัวตัวหนึ่งเนี่ยมันตายมันตายแบบปัจจุบันทันด่วนเลยลูกชายเนี่ยก็เลยออก อ, อุบายนะก็คือว่าแทนที่จะเอาวัวไปฝังหรือว่าจะไปชำแหละนะ ปกติประเพณีเขาก็ฝังนะเขาไม่ทำอะไรกับวัวเพราะถือว่ามีบุญคุณก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละปล่อยไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปเกี่ยวญ้าไปเกี่ยวญ้าไปหาน้ำมาให้วัวทั้งที่รั่ววัวตายแล้วนะแต่ก็ไปเกี่ยวญ้ามาให้แล้วก็บอกวัวว่ากินสิกินสิผู้พ่อเนี่ยเห็นเช่นนั้นก็บอกว่า แกนี่เป็นคนสิ้นคิดนะวัว น, นี่มันตายแล้วมันจะกินหญ้าได้อย่างไรนะลูกชายก็เลยได้โอกาสก็เลยพูดกับพ่อว่าวัวเนี่ยตัวนี้นะมันยังมีหัวมันยังมีหางยังมีตัวยังมีแขน ม, มันยังมีขาผมก็เลยคิดว่ามันจะกินข้าวได้กินน้นําได้กินหญ้าได้ส่วนปูนะป่นะปูเนี่ยคือ พ่อที่ตายไปแล้วนะคือปู่ของพ่อของชายคนนะนั้นปะู่เนี่ยนะตายไปแล้วนะเผาจนทั่งเหลือแต่เท่าฐานแล้วพ่อนี่ก็ยังร้องห่มร้องไห้เหมือนกับว่าเขาจะกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างนี้ลูกใครเป็นคนสิ้นคิดมากกว่ากันนะพูดอย่างนี้คข้านี้พ่อนี่ก็ได้สติเลยนะก็รู้ว่าเออเราไปว่าลูกว่างโง่นะ แต่ที่จริงนี่เราโง่กว่าลูกอีกได้สติเลยก็เลยหายคลั่มครวญนถน mm ้ hmm. คนเราเนี่ยมักจะเห็นคนอื่นง่ายแต่ว่าไม่เห็นตัวเอง mm hmm. อย่างชายคนนี้เนี่ยนะ mm hmm. เห็นลูกว่าโง่เห็นลูกว่าทำอะไรแปลกๆนะว mm hmm. ัวมันตายแล้วก็ยังไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเองนะว่าเนี่ยตัวเองคลั่ครวน มีิริยาอาการก็ไม่ต่างจากลูกชายแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเองเห็นคนอื่นได้ชัดเจนอนี้ก็เป็นธรมน ร, ธรมชาติคนละธรรมชาติคนละนี่ชอบส่งจิตออกนอกนะเราจะเห็นคนอื่นได้ชัดมากแต่ว่าเราไม่เห็นตัวเราเองอลูกชายคนที่ออกอุบายทำให้พ่อน้ไดสตินี่ก็คือพระโพธิสัตว์นะ เ, เป็นคนฉลาดนะ แล้วก็มีเรื่องทำนองนี้อยู่อีกตอนหนึ่งนะก็คือว่าพระราชาเนี่ยนะสูญเสียสูญเสียลูกชายสูญเสียลูกชายก็ร้องโ่วมร้องไห้เผาศพแล้วก็ยังก็ยังคร่ำควรวญไม่เป็นอันทำไม่เป็นอันออกวารชการมหาและกคู่ใจก็เป็นห่วงก็อยากจะช่วยเตือนสตินะพระราชาก็เลยแกล้งทำเป็นป่วยนะ ปวยจนทั่งไม่มาออกราชไ ม, ไ, มไม่มาไม่มาทำงานการพระราชาเห็นว่าหายไปก็เลยถามว่ามหาเล็กหายไปไหนนะก็แตงคตตอบมหาเล็กป่วยก็เลยไปหาไปเยี่ยมมหาเล็กมหาเล็กก็ทําทีป่วยนะแล้วก็ทํำท่าทางคร่ําครวญด้วยพระราชาก็ถามว่าเป็นอะไรมหาเล็กก็บอกว่าอยากได้เดือนอยากได้ดวงดาวพระราชาก็บอกว่า เจ้านี่โง่เหลือเกินนะเดือนก็ดีดาวก็ดีนะจะเอามาได้อย่างไรนะโง่เหลือเกินนะที่ร่ำร้องแบบนั้นมหาเล็กก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดือนก็ดีดาวก็ดีนี่มันยังเห็นอยู่บนฟ้านะข้าพเจ้าข้าพวงก็เลยคิดว่าสามารถจะเอามาไว้ในครอบครองได้ส่วนพระโอรสนีนะ่ตายไปแล้วนะ ไม่เหลือซากแล้วนะคือเหลือแต่เท่าฐานนะแต่พระองค์ก็ร้องไห้คร่ำควรวญเล่ากับว่าอยากจะให้เขากลับคืนมาใครกันแน่ที่โง่กว่ากันนะพูดหรือถามตรงมาอย่างนี้เลยพระราชาก็สะอึกเลยนะก็ได้คิดแล้วนะเออที่แท้นี่เราโง่กว่ามหาเล็กเสีกนะอันนี้ก็เป็นการเตือนสตินะที่คนสมัยก่อนนี่เขาเตือนสติเขาก็ใช้อุบายนะ ไม่ได้พูดตรงๆเพราะพูดตรงๆนี้อาจจะไม่เก็ตนะก็แกล้งทําเป็นโง่ให้ดูหรือว่าแกล้งทําสิ่งที่ชวนให้มองว่าเป็นคนสิ้นคิดนะซึ่งที่แท้ก็คือกระจกสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของเจ้าตัวเองก็คล้คายๆกับเรื่องที่อาจารย์สุรินเล่าเมื่อวานนะ <c oughs> ลูกสะภ้ายที่ทําทไม่ดกีกับแม่ผัวนะแม่ผัวเป็นอัลไซเมอร์นะ ก็ให้ไปกินข้าวแยกโต๊ะกันแล้วก็ให้กินให้ใช้จานเก่าๆเพราะว่าชอบชอบทำจานแตกทำจานแตกทีไรก็ดา่าด่าว่าแม่ผัวนะหลานชายก็เลยเอกักบายนะอกักบายให้ยายเนี่ยนะให้ยายเนี่ยทำแก้งทำจานตกนะพอทําอพอทำชามตกนะก่อนที่ ลูกสะพ้าจะว่านะตัวหลานก็ว่าซืก่อนนะว่าเนี่ยว่าทําอย่างนี้ได้ยังไงนะจานตกแต่หมดเนี่ยหนูว่าจะเก็บจานนี่เอาไว้ให้แม่ได้ใช้ตอนแก่ๆตอนแก่คําพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้แม่หรือลูกสะพ้าได้คิดเลยว่าเออตัวเองสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างอย่างแม่ผัวนะคือพอแก่แล้วก็ถูกปฏิบัติ อด้วยอากับกิริยาแบบนั้นแล้วก็เห็นได้ต่อไปว่าแท้จริงสิ่งที่หลานทําก็คือสิ่งที่ตัวเองทํานั่นเองพฤติกรรมของหลานก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของตัวก็เกิดความละอายใจแล้วก็กลัวว่าสักวันหนึ่งลูกชายจะทําอย่างนั้นกับตัวมั่งตัวทํากับแม่ผัวอย่างไรเนี่ยลูกชายก็จะทํากับตัวเองในวันข้างหน้าอันนี้มันก็ทําให้ได้คิดนะ บางที่คนเรานี่จะรู้ตัวได้นี่มันต้องเกิดจากการที่เห็นคนอื่นแต่ว่าเห็นคนอื่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เก็ตนะอย่างกรณีของชาวนาคนนั้นเนี่ยนะต้องให้ต้องให้ลูกชายเนี่ยพูดว่าเนี่ยว่าสิ่งที่ตัวเองทํานี่มันยังดีกว่าสิ่งที่พ่อทำซะอีกนะคนเรานี่ถ้าหว่าเราสามารถเตือนตัวเองได้ก็จะดีแต่ส่วนใหญ่นะจะเตือนตัวเองไม่ค่อยได้เพราะว่า มองไม่เห็นตัวเองนะเห็นคนอื่นชัดเจนว่างงาว่างเงานะแต่ว่าตัวเองทำอย่างนั้นเป็นการกลับมองไม่เห็นแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยก็ยังพอมองเห็นนะอย่างแม่อ่อย่างลูกสะพ้ยเนี่ยนะลูกไม่ได้สอนแม่เลยนะแต่เพียงแค่แสดงอากับกิริยาบางอย่างที่ทำให้แม่ได้คิดขึ้นมาว่าเออไอสิ่งที่เราทำไอสิ่งที่ลูกทำนี่มันก็ไม่ต่างจากที่เราทานั้นนะ และต่อไปเราก็อาจจะลงเอ่ยแบบย่านะแบบแม่ผัวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินี่นะมันไม่ต้องให้มีใครมามาบอกมาเตือนเราก็จะเห็นเองนะไม่ต้องมีกระจกมาส่องหน้าก็ได้เพราะว่าะสะตินี่มันช่วยส่องใจเราบางคนส่องหน้าใช้กระจกส่องหน้าเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นตัวเองนะเห็นแต่หน้าตาแต่ไม่เห็นพฤติกรรมของตัว แต่ถ้ามีสตินี่มันจะเห็นพฤติกรรมของตัวได้ได้ง่ายได้ไวแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่ต้องมีใครมาเตือนหรือถึงมาเตือนนะก็สามารถจะเก็ตได้เร็วสามารถจะเข้าใจได้เร็วแล้วก็เตรียมรับพร